นะโมะ ต, ตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมะ ต, ตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมะ ต, ตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระธรรม คือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แก่มรค4ผลสนิพพานหนึ่งปริยัติธรรมหนึ่งขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติตามแต่สรู้ตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันได้แก่พระอริยบุคคล8ปดจำพวกขอเจริญพรยัติโยมโยคี ผู้ประพฤติปฏิบัติผู้ใฝ่ในการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์าสมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าทุกๆ ท, ท่านในช่วงนี้ก็จะมาเชื่อมโยงเกี่ยวกับการเจริญภาวนาคือเจริญพงวิหารสี่ตั้งแต่เช้าเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องทานว่าพิเศษอย่างไรยิ่งใหญ่อย่างไรและเชื่อมโยงไปถึงเรื่องศีลก็มีพิเศษ มีความกว้างขวางมากกว่าที่เราเคยคิดแล้วที่บอกว่าในเหตุการณ์เดียวกันในเรื่องราวเดียวกันนั้นก็ยังสามารถเจริญภาวนาได้แล้วลำดับต่อไปก็จะพาเจริญพรหมวิหารสี่ไปเลยหลังจากนั้นจะได้ตอบคำถาม เมตายะพิกเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะพาวิตายะพระหุริกตายะญาณีกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปริติตายะสุสมารถายะอเมเอกาทัานิสังสาปาติกังขากตเมเอกาทัศสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินาปาปังสุปินังปัสสติมนุสานางปิโยโหติอมนุสานางปิโยโหติ เทวตารักขันตินาสะอาดอักขิวาวิสังวาสาธังวาตรมติสุวตางจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสีทติอสามุนโหกาลังการติอุตริงอปฏิวิชนโตพามโลกูปโกโหติอันนี้คือเมตตานะที่บุคคลเมตตาเจโตวิมุตที่จเจริญแล้วงอกอทำให้งอกงาม มากขึ้นนะตั้งไว้ให้ถาวรโดยวสีทั้งห้านีห่หมายถึงเขาได้ฌานมาแล้วก็จะทำวสีก็จะมีอานิสงส์แห่งเมตตาภาวนา11ประการอย่างเราก็สามารถจเจริญได้นะเพื่อให้จิตใจนั้นมีความเย็นลงสงบลงสมาธิตั้งมั่นก็จะได้อานิสงส์11ประการนั่นแหละ คือหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์เทวดาป้องกัน ร, รักษาลอดภายจากพยานอันตรายคือไฟยาพิษสตราเป็นต้นไม่กั้มกลายสมาธิตั้งมั่นได้เร็วใบหน้าก็ผ่องใสนะเมื่อร่วงลับดับไปก็มีใจที่สงบ ไปอย่างมีความสุขแล้วก็ถ้าไม่บรรลุพระรหัแต่ผลก็เข้าถึงพรมโรคนี่คืออ น, นิสงส์สิบเอ็ดประการลักษณะการแผ่เมตตานั้นการแผ่เมตตานะหรือการเจริญเมตตาเนี่ยการแผ่การเจริญถ้าเราทำทางใจ อย่างที่เราทำอยู่นี้ก็คือมีการไข้ครวญมีการสาทยายแล้วก็แผ่ภัยทางใจแต่ก่อนที่จะทำก่อนที่จะแผ่ไปทางใจนั้นเราต้องมีการประพฤติปฏิบัติมาก่อนนะให้รู้ถึงบริบทรู้ถึงความหมายรู้ถึงลักษณะของเมตตาว่า เมตามันเกิดขึ้นอย่างไรเราสามารถทำให้เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันอย่างไรอย่างเช่นการให้เนเรียกว่าเมตตากายากรรมเนี่ยเราทำแบบไหนเมตตากยากรรมออกมาในรูปแบบของการให้โยมีการหยิบยื่นให้นะใส่บาตรพระ มีการหยิบยื่นให้วัตถุนั้นเป็นเรื่องของทานการดูแลเอาใจใส่อนุเคราะห์เป็นเรื่องของศีลทําตามประเพณีเนี่ยเป็นเรื่องของจาริตศีลสํารวมในข้อวัดปฏิบัติเป็นเรื่องของวาริตศีลแล้วมีความรักความปรารถนาดีต่อผู้รับเนี่ยที่ที่เรามีความปรารถนาดีที่จะให้เนี่ยมีความรักความปรารถนาดีความเอื้ออาทร หรือแม้แต่ให้เงินลูกให้เงินสามีให้ภรรยาซื้อของมาให้สร้างบ้านผ่อนบ้านผ่อนรถลักษณะของมีความรักความปาฏินารดีต่อกันมีความเอื้ออาทรต่อกันจึงทา นี่เรียกว่าไก่กรรมเห็นไหมวจีกรรมมีการพารนามีการพูดคุยด้วยวาจาที่เป็นที่รักอิ่มเอิบใจเนี่ยที่ได้พารนาที่ได้คุยกันมอบวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานนั่นแหละไปนะครับเพราะเรามีความรักความปรารถนาดีจะเห็นว่าเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยตั้งแต่เรื่องของการให้มา ยนพัฒนามาสู่ศีลพัฒนามาสู่การเจริญภาวนานั่นแหละคือการเจริญเมตตาถ้าให้แบบให้แบบสงสารเพื่อปราถนาให้เขาพ้นทุกข์ช่วยเหลือเขาปาถนาให้เขาพ้นทุกข์อย่างนี้ก็เป็นกรุณาใช่ถ้าทำทางกายเรียกว่าเมตตากายกรรมสงสารทางกายมีการช่วยเหลือมีการอนุเคราะห์ไปช่วย บ้านเขาน้ําท่วมก็ไปช่วยเขาขนของนี่ลยงลักษณะลักษณะของกายกรรมกรุณากายกรรมนะความสงสารที่เป็นไปทางกายปรารถนาให้เขาพ้นทุกขแยกออกนะความรักความปราถนาดีกับความสงสารคนละอย่างนะความรักความป่ารถนาดีต่อ สัตว์ที่มีความสุขความสงสารปาณนาให้สัตว์ผู้มีความทุกข์พ้นจากทุกข์แยกกันเมตตากรุณาส่วนใหญ่เราเอาไปรวมกันขอให้มีเมตตากรุณาต่อกันนะไปมาก็มีความหมายปนกันเราก็แยกออกให้ชัดเจนและจะได้ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง ทางวจีกรรมมีการพลณนามีการพูดถ้าเป็นกรุณาก็เห็นอกเห็นใจถ้าเป็นมุทิตาล้วก็พอยินดีเนี่ยคำพูดใช้คาพูดที่เพื่อให้คนที่เราปรารถนาดีนั้นได้อิ่มอิ่มเอิบใจมีความสุขกับคาพูดที่เราที่เรากล่าวไปที่เราบอกไปนั้น นี่เรียกว่าเมตตากายกรรมนะมีความรักความปรารถนาดีทางกายเมตตาวจีกรรมแล้วก็เมตตามนโนกรรมมีการเกี่ยวกับเรื่องจิตใจนี้นะมีความรักความปรารถนาดีซึ่งจะท่องปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะอย่างชำนิชำนาญมา แยกแยะออกว่ามีความกรุณาทางกายทางวาจาทางใจเป็นอย่างไรพอยินดีทางกายทางวาจาทางใจเป็นอย่างไรคราวนี้เราก็มาแผ่เมตตาก็เหมือนกับอัปปะรพะเจตนาในเรื่องของทานอัปปะรพะเจตนาในเรื่องของศีลนี่เป็นอัปประรพะ เจตนาในเรื่องของภาวนามีการแผ่เมตตาแผ่กรุณาแผ่มุทิตาแผ่อุเบกขาไปนั้นเราต้องชำนาญก่อนไหมต้องรู้จกักรษณะอย่างดีคุ้นเคยกับเขาอย่างดีเวลาที่เรามาแผ่มันจะได้ออกไปออกไปอย่างความรักความปรารถนาจริงๆไม่ใช่ อาหางสุขิโตโหมิไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ปาถนาดีต่อตัวเองแบบไหนทําร้ายตัวเองอยู่ทุกวันให้โลภะให้โทสะให้โมหะให้ความง่วงเหงาเศร้าซึมเข้าทําร้ายตัวเองอยู่เป็นประจำะ<ม>ํำก็ไม่ต่างอะไรกับเปิดประตูให้ขโมยเข้าบ้านเขาก็ลักอริยทรัพย์ของเราไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเจตนาที่เป็นอริยทรัพย์ ความละอายแก่ใจความเกรงกลัวต่อบาปสติสมาธิปัญญาที่เป็นอริยรัพย์ขโมยหรือโจรก็หมอปร้นไปหมดเลยยิ่งมีอยู่น้อยนิดอยู่ด้วยนะเพราะศรัทธาของเราก็ยังไม่ตั้งมั่นเป็นไปเพื่อออกจากความไม่มีศรัทธาได้ไม่สามารถกำจัดอสัตถิยะได้ สติก็ไม่สามารถยังไม่สามารถกำจัดความหลงลืมสติได้สมาธิก็ยังไม่สามารถกำจัดอุทจจะรได้เลยปัญญาก็ไม่สามารถที่จะกำจัดความรุ่มหลงได้เลยดังนั้นจึงเป็นสติแบบอ่อนๆมีศรัทธาแบบอ่อนๆความเพียรแบบอ่อนๆไม่สามารถที่จะทำลายความเก็ียดค้านได้ ไมส่สามารถที่จะทําลายความง่วงเหงาเศร้าซึมความอดหูความท้อแท้ความเมตตายังไม่สามารถไปทําลายความโกรธความกัดเคืองความเบื่อหน่ายความเซ็งได้ยิ่งมีอยู่อนอ่อนอยู่มีอยู่นิดหน่อยแล้วก็ถูกลักไปแล้วถูกขโมยไปแล้วถูกปล้นไปแล้วเพราะเราไปเปิดช่องทางเปิดประตูให้ บาปอกุศล น, นั้นเล่นงานเราคราวนี้กลับไปต้องรีบปิดเลยไหมพร้อมที่จะปิดประตูหรื อ, อยังปิดประตูไม่ให้บาปใหม่เข้ามาตอนนี้บาปเก่าเนี่ยยังมีอยู่กำจัดให้หมดใช้ความเพียรในการกำจัดบาปเก่าที่มีอยู่ให้หมดไปบาปใหม่ไม่ให้เข้าไม่ใช่ไปนั่งดู ความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ความโลภเกิดขึ้นก็รู้ความรุ่งหลงเกิดขึ้นก็รู้สับพงกก็รู้ถ้ารู้จะสับพงกไหม <c oughs> เกิดมาแล้วแสดงว่ามันเข้าใจมาแล้วนะความโกรธเกิดขึ้นแล้วเข้าใจมาแล้วทำลาย จิตใจไปแล้วตอนนั้นลักษณะเราจะต้องปิดเลยโดยการคิดบุญให้ได้มากที่สุดคิดเรื่องทานให้มากที่สุดในแต่ละวันทุกการขยับทุกา ก, าทการก้าวไปทุกการก้าวกับทุกการแเหลาซ้าย เ, าเหลวซ้ายแลขวา ทุกการคู้เข้าเหยียดออกทุกการเดินการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งการกินเคี้ยวดื่มลิ้มทุกอิเลียบทจะต้องสามารถที่จะป้องกันบาปได้เรียกว่าปิดปิดกั้นบาปไม่ให้เข้าสู่ใจเพราะของเก่าเนี่ยมันยัง ยังกล่นอยู่ยังสามารถทำลายเราอยู่เลยก็ปล่อยให้บาปใหม่เข้ามาอีกคราวนี้ก็กําจัดยากทำลายยากคราวนี้เราก็ต้องป้องกันป้องกันบาปที่จะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยป้องกันไว้ไม่ให้เข้าเด็ดขาดโดยการคิดถึงเรื่องบุญกุศลเลือกเรื่องทานศีลภาวนาให้มากที่สุดทำได้ไหม มีข้อมูลแล้วเรื่องทานในทุกที่ทุกสถานการณ์เรียกว่ามีอาวุธอาวุธครบมือแล้วตอนนี้แต่พร้อมหรือยังที่จะต่อสู้หรือมีแต่อาวุธเอาไว้โชว์ก็ไม่ต่างอะไรกับยามหรือ ใครทหารทหารยามเฝ้าแต่ประตูเฝ้าแต่ในที่ประจำนะไม่ได้ต่อสู้มีอาวุธก็ไร้ประโยชน์นะตอนนี้เรามีอาวุธคือแผนที่คือข้อมูลที่จะต่อสู้กับบาปอากุศลในทุกรูปแบบแล้วนะเรื่องทาน ทุกที่ทุกเวลาคิดให้เป็นเรื่องบุญให้ได้เรื่องศีลทุกที่ทุกเวลาคิดให้เป็นเรื่องกุศลให้ได้หรือถ้าคิดไม่ทันลมหายใจได้ไหมลมหายใจเป็นศีลไหมดูลมหายใจคิดเรื่องเมตตาความรักความปรารถนาดี คิดเรื่องสงสารปราถนายเขาพ้นทุกพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีถ้าช่วยเหลือไม่ได้วางเฉยโดยคิดเสมอว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเขาทํากรรมใดไว้เขาต้องได้รับผลของกรรมนั้นเขามีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กระทำกรรมใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามเขาต้องเป็นผู้รับผลนั้นเราก็วางได้แต่นี่อันนั้นลูกของเราอันนั้นสามีของเราบ้านของเราการงานหน้าที่การงานของเราพ่อแม่ของเราญาติของเราตราบใดที่เรายังมียังมีเราอยู่เราจะวางเฉยไม่ได้ พอไปช่วยเขาแล้วก็กังวลแล้วก็วางใจไม่ได้เศร้าใจเสียใจสลดใจบาปก็เข้าใจอีกนะบาปก็มาสู่ใจก็ไม่สามารถที่จะปิดบาปนั้นได้ดนะังนั้นเราต้องปฏิบัติมา นะในชีวิตประจำวันต้องมีพรหมวิหารสี่ซึ่งในหลักของผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ในส่วนใหญ่จะมีหลักพรหมวิหารสี่อยู่ในใจนะอยู่แล้วนะเวลาที่มีลูกดูแลลูกเนี่ยล้วก็มีความรักความปรารถนาดีเขาแล้วไม่ใช่เวลาเห็นลูกคนอื่นแล้ว ก็ไปคิดว่าลูกตัวเองดีกว่ามีความรักลูกมากกว่าจะต้องเ <reorgan. S 1> <verbs. S 2> ทียบให้เสมอกันให้เท่ากันไม่ลำเอียงถ้าลำเอียงนี่จะเป็นบาปอกุศลลำเอียงเพราะ ร, ากรักลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะโกรธลำเอียงเพราะหลงถ้าลำเอียงแบบนี้เมตตก็ไม่เกิดแต่อะไรจะเกิด เมตตาแท้ไม่เกิดเมตตาเทียมก็เกิดก็คือตัณหานะยิ่งเป็นญาติของเราเป็นลูกของเราเป็นสามีภรรยาพ่อแม่เนี่ยตัณหาจะเกิดมากกว่าเมตตานั้นเราก็ต้องวางใจว่าเราเป็นพ่อแม่เนี่ยจะต้องมีหลักพรมวิหารนะมีความสงสารก็สงสารในเท่ากัน ทั้งลูกตัวเองและลูกคนอื่นมีความมุทิตาก็มุทิตาให้เสมอกันกับลูกตัวเองหรือสามีภรรยาหรือครอบครัวหรือญาติของตัวเองกับคนอื่นต่อไปสังคมจะน่าอยู่ไหมถ้าเรามีเมตตากรุณามุทิตาต่อกันสังคมก็น่าอยู่แต่เรา ยังทำใจไม่ได้นะเพราะเรายึดแล้วว่านั่นคือลูกเราสามีเราพ่อแม่เราญาติเราทรัพย์สมบัติเราหน้าที่การงานของเรายึดไว้หมดแล้วจึงยากมากที่เจริญเมตตาให้เกิดความรักความปราถนาดีการุณาให้เกิดความอิ่มเอิบใจได้ แต่ถ้าวางใจได้เมื่อไหร่พอมาเจริญเมตตาถ้าเราปฏิบัติทางกายทางวาจามาแล้วพอมาเจริญทางใจก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วกรรมฐานนี้กรรมฐานที่เป็นพรหมวิหารเนี่ยเราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่ตามหลักที่ประพฤติปฏิบัติกันแล้วก็คือหลังจากจบอาณาปานสติแล้วจึงมาเจริญเมตตาเป็นลาดับสุดท้าย ในการเรียงลำดับการปฏิบัตินะเขาก็จะเจริญอาณาปานสติก่อนจนได้จบแล้วก็ไปที่กรสีนไปที่อาสุภะไปทีอออปอป่อารูปกริีนเายรูปะกรรมฐานแล้วก็มรณสติและพุทธานุสติ จนไล่ไปถึงโพมวิหารเป็นลำดับสุดท้ายเพราะเป็นกรรมฐานที่ยากในการที่เจริญให้เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ทำไม่ได้แล้วก็มาเจริญในชีวิตประจำวันเพื่อให้เรามีความรักความบาดถนาดีความเอื้ออาทรต่อการความสงสารความพลอยยินดีแล้วก็ความวางเฉยเนี่ยเราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจาวันได้คราวนี้เราลองมาเจริญดูนะ หลักในการเจริญเมตตากรุณามุ้ิตาอุเบกขาเนี่ยเราเจริญให้ตัวเองก่อนแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนเพราะจะทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นสักขีพยานว่าตัวเองรักสุขเกลียดความทุกข์คนอื่นก็เช่นกันแต่วิธีการเจริญให้ตัวเองเนี่ย เป็นสักขีพยานเท่านั้นถ้าจะเจริญให้ตัวเองตลอดปีตลอดชาติก็ไม่สามารถที่จะทำเมตตาให้ให้ให้สูงขึ้นมาได้พัฒนาให้เป็นเมตตาเจโตวิมุตตินี้ไม่ได้เพราะต้องเกี่ยวเนื่องกับปลุกคนอื่นนะอันดับสองเลยจึงมาเจริญให้กับผู้ที่รักและเคารพผู้ที่รักและเคารพเนี่ยจะเป็นพ่อแม่จะทาให ความรักความปารถนาดีเกิดขึ้นไวเกิดขึ้นมากนะแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์อันดับสามก็มาเป็นเพื่อนเพื่อนที่เรารักนี่นะอันดับสี่เป็นบุคคลกลางๆคนที่เรารู้จักแล้วก็อันดับห้าศัตรูซึ่งเมตตาจะเกิดยากมากในศัตรูนะ ดงาันต้องได้ความรักความปรารถนาดีจากตัวเองก่อนแล้วก็เจริญไปสักพักหนึ่งมีการไข้ควรไปสักครึ่งชั่วโมงเจริญเมตตาให้กับตัวเองนะแล้วก็ไปเจริญเมตตาให้กับพ่อกับแม่ส่วนใหญ่คนจะรักแม่คนส่วนใหญ่นะจะรักแม่มากกว่าพ่อดังนั้นก็เจริญไปที่แม่ก่อน มีภาพของแม่มาหรือจ้องดูแม่เลยจ้องดูแม่ให้ชัดที่สุดให้ติดตาที่สุดหรือใช้ภาพของแม่ถ้าไม่กล้าจ้องแม่นะเดี๋ยวแม่จะถามใช้ภาพแล้วก็เมื่อจ้องดูจนชำนาญจนติดตา จนหลับตาแล้วก็นึกถึงภาพหน้าแม่ได้เนี่ยแล้วไปที่ห้องพระหรือห้องส่วนตัวของตัวเองแล้วก็ไปเจริญนะโดยกล่าวคำว่าเอสสปุริโสสุขิโตโหตุขอให้ท่านผู้เป็นสัตบุรุษจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดก็ไร่ไปอย่าได้มีเวรอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนอย่าได้มีความทุกข์กาย จงมีแต่ความสุกกายสุขใจก็ไล่ไปตามบทนี้หรือแม้แต่ตัวเองเนี่ยชำนาญ<อ>กล่าวสาธยายชำนาญในเรื่องของตัวเองก่อนแล้วก็มาก็จะได้ง่ายประมาณดับสองก็จะง่ายที่จริงถ้าเกิดเราใช้ภาษาไทยเราสามารถที่จะใช้คำว่าขอให้แม่จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด ขอให้แม่อย่าได้มีเวรแก่ใครๆเลยหรือถ้าเป็นพ่อขอให้พ่อจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่ใครๆเลยอย่าขอให้พ่ออย่าได้พยาบาทเบียดเบียนใครๆเลยขอให้พ่ออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยขอให้พ่อจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปจ้องหน้าพ่อ สำหรับผู้ที่ยังมีพ่อมีแม่อยู่แล้วสําหรับคนที่ไม่มีล่ะตอนนี้อายุแปดสิบสามแล้วจะไปหาพ่อแม่ได้ที่ไหนก็ไม่มีแล้วในกรรมฐานจเจริญเมตตาภาวนานี้ห้ามจเจริญกับคนตายด้วยจะทำยังไงโยงอย่าพยายามค้นหานะ หรือจะลำบากเกินไปให้ข้ามไปไปที่ครูบาอาจารย์ระดับแปดสิบสามเนี่ครูบาอาจารย์ยังอยู่ไหมเนี่ยรุ่นครูบาอาจารย์นั้นหมดแล้วล้วก็หาผู้ที่เคยแนะนำเราเคยสั่งสอนเราเคยให้ความรู้เรานั่นแหละให้มาเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็บอกว่าขอให้ ท่านนั้นท่านนี้เ อ, อ่ยชื่อไปเลยก็ได้แต่ต้องมีที่จะเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ให้นึกภาพออกหน่อยอ า, อาจจะนึกหน้าให้ชัดนึกไม่ได้หารูปมาให้ชัดถ้าเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็นึกถึงคุณของท่านหรือพ่อแม่นึกถึงบุญคุณ ที่เลี้ยงดูมานึกถึงคุณความดีที่ท่านได้ทาต่อเราได้ดูแลเลี้ยงดูประครบประ ง, งมป้อนข้าวป้อนน้ำหาคุณความดีของท่านให้มากที่สุดแล้วก็หลับตาไปสวดภาวนาสาธยายไปนึกภาพของท่านไปด้วยแล้วก็สวดสาธยายไปด้วยอย่างนี้พอทาได้ไหม นะไม่ใช่ทําเหมือนที่ตรงนี้นะห้างสุกิโตโฮมีแล้วก็ไม่ได้ดูตัวเองหรือสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ได้ไปดูสัตว์อื่นเลยจะต้องมีอุปกรณ์ในการที่เราจะนึกถึงในแต่ละครั้งก็จะทําให้เมตตานั้นมีกำลังมากขึ้นจนเป็นเมตตาเจโตวิมุตได้ในที่สุด ต่อไปเป็นเพื่อนหาเพื่อนที่เรารักที่มีความเกี่ยวข้องการคอยอุปถัมบำรุงกันสักสิบคนมีถึงมโยมน่าจะมะีปกติมีมากกว่านั้นอยู่แล้วเพื่อนที่ รักที่ปาฏณาาดีคอยช่วยเหลือกันเนี่ยสักสิบคนหรือไม่ได้สักห้าคนหรือไม่ได้จริงๆสักสองคนหรือหนึ่งคนแล้วก็นำภาพมาจ้องให้ติดตาแล้วก็นึกถึงคุณงามความดีที่เคยช่วยเหลือกันที่เขาเคยดูแลเราช่วยเหลือเราะนี่เพื่อนนะ เพื่อนที่เรารักแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาเราเจริญกับเพศตรงข้ามเนี่ยเป็นสิ่งที่เมตตาไม่ค่อยเกิดเหมือนกันดังนั้นให้เว้นเพศตรงข้ามไปก่อนให้ถ้าจะเจริญหาเพื่อนที่เป็นที่รักเนี่ยควรจะเป็นเพศเดียวกันนะเพศตรงข้ามหนึ่ง ไม่ควรเจริญและคนตายไม่ควรเจริญถึงนะบุคคลผู้เป็นกลางกลางเนี่ยบุคคลที่เรารู้จักแต่ไม่สนิทอันนี้มาสักสิบคนมองภาพให้ติดตาแล้วก็ไข้ครวญอาจจะลงชื่อไปเลยในแต่ละคนแต่ละคนนั้น <c oughs> ส่วนศัตรูถ้ายังไม่ได้เมตตาจากสี่ข้อแรกสี่ข้อแรกยังจ ะ, จะเจริญเมตตาไม่ขึ้นเนี่ยก็ไม่ควรจเจริญหาศัตรูเพราะอะไรอะไรจะเกิดขึ้นแทนศัตรูคู่อาฆาตเนี่ยคอยทาร้ายเราคอยจองเวรแกเราเนี่ถ้าเกิดไปจเจริญในขณะที่ทั้งส่ขั้นตอนนี้ยังไม่ สมาธิของเรายังไม่ตั้งมั่นเนี่ยความรักความป่าถนาดียังไม่เกิดไปจะเจริญกับศัตรูจะเกิดได้ไหมก็ไม่เกิดแล้วความขัดเคืองจะเกิดขึ้นแทนนะส่วนใหญ่ก็จะมาขุ่นมัวในใจเวลาเราเจริญหาศัตรูแค่เห็นหน้าอยากจะสับรูปทิ้งเลยไหม แค่เห็นเสื้อผ้านะเห็นหลังคาบ้านยังอยากจะเคลี้ยงเลยนะเครื้องหลังคาบ้านเนะ่ะศัตรูเนี่ยเจอหน้านี่ไม่อยากจะมองหน้าเลยอยากจะแทรกแผ่นดินหนีกันไปเลยนะบางคนดังนั้นถ้าเกิดเราได้เจริญเมตตาในสี่อย่างนี้แล้วก็ให้เจริญกับคนผู้ที่มีเวรได้อย่างฤอ ต่อไปก็ลำดับของกรุณาเมตตาอุเบกขาก็อยู่ในชีดนี้ลองไปฝึกดูนะโดยนําตัวอย่างของเมตตาเนี่ยเป็นเป็นเป็นตัวอย่างในการเจริญในทุกทุกพรหมวิหารในแต่ละข้อแต่ละข้อนี่นะแต่อย่าลืมว่าในชีวิตประจําวันเราต้องมีด้วยนะไม่ใช่ว่าชีวิตประจําวันไม่เคยมีเลย เมตตากรุณามุทธิตาอวกขาวมาแผ่มันจะได้ไหมมะแผ่ก็ไม่ได้ต่อให้จ้องมองโูกขนาดไหนก็เมตตาไม่เกิดนะอะฮังสุขิโตโฮมีขอยข้าพเจ้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อ, อาเวโรโฮมีขอยข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรแก่ใครๆเลย อาพยาปชโชมีก่อยข้าพเจ้าอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนแก่ใครๆเลยอานิโคโโมีก่อยข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานางปริหารามีจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดสักครึ่งชัมมง่วโมงแล้วก็มา เอสามาตาสุกิตาโหตุอจะมาได้ภาษาบาลีนะก็เลยได้เปรียบส่วนโยมก็ต้องเป็นเอสะบุริโสสุกิโตโหตุนั่นแหละนะหรือไม่ถ้าเกิดไม่นําภาษาบาลีมาแล้วก็เฉพาะภาษาไทยว่าขอให้มารดาของข้าพเจ้านะั้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดหรือขอให้ แม่ทวินจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด น, นี่แม่อตมานะขอให้พ่อนรงร์จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่ใครใครเลยขอให้แม่ให้พ่ออย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนแก่ใครใครเลยขอให้แม่ให้พ่ออย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย ขอให้แม่ให้พ่อของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตัวให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดคนละครึ่งชั่วโมงพ่อครึ่งชั่วโมงแม่ครึ่งชั่วโมงลงทุนน้อยขนาดนี้กล้าลงทุนไหมโอ้โหเขาดูแลเรามาตั้งสิบสิบอะไรสิบเดือนอยู่ในท้องเราลงทุนแค่ครึ่งชั่วโมงอย่างนี้ ใครก็ลงทุนโยมได้กําไรเห็นๆ น, นะวันละครึ่งชั่วโมงแต่ละคนแต่ละคนไป <c oughs> ก็แล้วหาครูบาอาจารย์คราวนี้ครูบาอาจารย์เยอะสักสิบคนก็นํามาสิบคนเลยทีละคนคนละครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมง <c oughs> หมดวันพอดี <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ชีวิตมิตรบุญไหมคราวนี้ โอ้โหสบายสบายแต่นั่นคือทฤษฎีส่วนโยมก็ไปกํากับชีวิตของโยมนะว่าคนนี้กี่นาทีคนนี้กี่นาทีแล้วแต่เวลาของโยมเพราะนี้เป็นสมบัติของโยมเองนะเป็นคุณธรรมที่โยมจะสร้างเองไม่เกี่ยวกับอาตมานะอาตมานี่มีเวลาเยอะอาตมาก็ทำเยอะ โยมอยากเลือกวิธีนั้นเองโยมอยากเลือกวิถีชีวิตแบบนี้นะโยมก็ไปแบ่งเวลาของโยมแต่ถ้าโยมเลือกวิถีชีวิตแบบนี้ก็ามาก็มีเวลานะนะต่อไปผู้ชายทั้งหมดก็จะได้บวชเห็นหมมีเวลาประพฤติปฏิบัตินะถ้าอยู่บ้านไม่มีนะโยมมีไหมมีเยอะไหมไม่มีจะคนละครึ่งชั่วโมงเนี่ยอย่าคิด อย่าได้คิดนะตัวเองครึ่งชั่วโมงพ่อครึ่งแม่ครึ่งชั่วโมงพ่อครึ่งชั่วโมงกูบาอาจารย์สิบคนคนละครึ่งชั่วโมงเพื่อนสิบคนคนละครึ่งชั่วโมงไม่มีนะแบบเนี้ยโยไม่มีโอกาสได้คิดเลยนะนะแต่ก็ต้องถือว่าโชคดีบางคนมีเวลามากก็ไข้ควรได้มากนะแบ่งเวลา จากการใช้ชีวิตแล้วก็มาแบ่งเวลาเพื่อประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งคือปณิพานก็ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติของเราเป็นผลพลอยได้ของเราที่ได้เราได้กำไรชีวิตของเราที่จะเกิดขึ้นในต่อไปภายภาคหน้าตั้งแต่วันนี้จนถึงหมดลมหายใจนี่เป็นสิ่งที่เราจะได้นะก็ทาให เมตตาเกิดได้มากนะยิ่งเราทำใช้เวลามากเท่าไหร่เมตตาก็เกิดขึ้นมาก mm hmm. ก, ก็เหมือนเรานั่งดูลมหายใจนั่นแหละครั้งแรกๆที่เรานั่งก็จะดูลมหายใจได้น้อยฟุง้งซ่านหรือบาปอกุศลอย่างอื่นก็เข้ามามากแต่ถ้าเกิดเรานั่งไปเรื่อยๆนั่งไปเรื่อยๆสติก็ดีขึ้น ก็สามารถดูลมได้มากก็เช่นกันเวลาที่เราทำสมาธิทุกอย่างก็ต้องใช้สติในการกากับดูแลกรรมฐานหรืออารมณ์นั้นในแ ต, แต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เป็นหลักการเดียวกันไม่ว่าจะดูลมไม่ว่าจะเจริญพุทธานุสติไม่ว่าจะเจริญเมตต า, า, า, ามุทิตากรุณาุมตตาเวกาก็ใช้สติเช่นเดียวกัน ยิ่งนานเท่าไหร่บุญก็ยิ่งเกิดมากเท่านั้นนั่นแหละอันนี้เป็นหลักร้าวๆที่วางไว้แต่ไม่บางคนทำไม่ได้ขนาดนี้น ะ, น ะ, นะก็ทำได้ลดลงมา ล, ลดหลั่นลงมาแล้วแต่เวลาของแต่ละค น, นะยิ่งทำมากก็ยิ่งดีทำน้อยก็ได้น้อยนั่นแหละ <c oughs> ส่วนอันนี้อย่างนี้ยังพอเห็นภาพแล้วน ะ, จะเจริญกลับไปจเจริญได้ไหม จเจริญได้แล้วน ะ, ะทำเหมือนการดูลมนั่นแหละ เ, เ, เ, เฉพาะคนเป็นแล้วก็เป็นเพศเดียวกันยกเว้นแม่นะแม่ถ้าผู้ชายถ้ายกเว้นพ่อที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงจเจริญหาพ่อไม่เป็นไรผู้ชายจเจริญหาแม่เพศตรงข้ามอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ก็ถ้าเกิดเป็นเพื่อน เป็นเพื่อนสนิทเพื่อนรักเนี่ยควรจะเป็นผู้หญิงหรือแม้แต่สามีเจริญกับภรรยาภรรยาเจริญกับสามีไม่ไดนะ้ไม่เกิดเพราะหลไรส่วนใหญ่อยู่ด้วยกันมานานสุขทุกขมาร่วมกันมานานดังนั้นเวลาเจริญเมตตาจึงไม่ค่อยเกิดกับสามีภรรยานะดังนั้นให เพศตรงกันข้ามพอได้แล้วนะพี่น้องก็จัดอยู่ในเข้ามาในสหายแล้วกันนะเป็นญาติเป็นพี่น้อง <c oughs> ต่อไปเป็นคำถาม กราบน้ำระส ก, การพระอาจารย์เมื่อเรากลับบ้านมีอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนดื่มกินจะ ก, กำหนดอย่างไรเมื่อเพื่อให้เกื้อหนุนต่อการเจริญอาณาปานสตินะเพราะอยู่ที่นี่พระอาจารย์ได้ให้กำหนดดูลมหายใจเข้าออกทุกขิริยาบท กลับไปก็เหมือนเดิมนะก็ดูเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็เรื่องทานเรื่องศีลสลับกันไปในชีวิตของเราเนี่ยจะมีเวลาในชีวิตคารวะเนี่ยจะมีเวลานั่งสมาธิน้อย <S <S 1> <S 1> พระอาจารย์ท่านจึงบอกว่าให้เจริญอย่างน้อยวันละสองบรลลังก์ ก็คือสามชั่วโมงส่วนในอริยาบทอื่นเราก็ดูลมหายใจไปด้วยในเวลาทำงานในเวลากินข้าวในเวลาเดินทางอยู่ในรถแบบนี้นะก็ดูลมไปด้วยก็ชื่อว่าการสำรวมสีศีลไปในตัวหรือจะสลับกับกรรมฐานอื่น กรรมฐานอื่นก็คือเรื่องของทานก็เป็นจาคารนุสติก็ทำเกี่ยวกับเรื่องทานเรื่องของศีลก็เป็นสีลานุสติหรือคิดคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าสาทยายคำสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้ามีอิติปิโสภควาหรหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยเป็นต้นนี่ชื่อว่าพุทธานุสติ แล้วก็มีการสลับกรรมฐานไปอย่างนี้เกื้อกูลกันหมดแล้วพอกลับถึงบ้านหรือมีเวลาก็มาดูลมหายใจเกื้อกูลได้เหมือนกันหรือใครจะใช้กรรมฐานเดียวเลยเป็นกรรมฐานหลักก็คือดูลมหายใจนั่นแหละแล้วกรรมฐานรองก็กรรมฐานที่เป็นสัพพะทกะนี่ คือมีประโยชน์กับเราในทุกเวลาก็ใช้พุทธานุสติอย่างนี้นะพุทธานุสติสารเสริญคุณขอ ง, ของ พ, พระพุทธเจ้าแล้วเวลากลับบ้านก็มาดูลมหายใจสักสองบรรลังหนะลึกก่อนไปทำงานหนึ่งบรรลังกลับมาหนึ่งบรรลังหรือแล้วแต่ใครจเจริญกรรมาฐานมากแค่ไหนก็ยิ่งดี ส่นกรรมฐ า, านหลักก็ดูอาณาไปอย่างนี้เนี่ยก็จะเกื้อกูล Ryan. ได้เลยนะ <cos. S 1> เวลาเดินจงกรมและทำงานควรกำหนดลมหายใจหรือกำหนดเดินจงกรมก็ยังยืนยันคำเดิมนะ เวลาฟุ้งมีความคิดวนไปเวียนมาทำให้นอนไม่หลับควรปฏิบัติอย่างไรนะอ่านหนังสือธรรมะเป็นยานอนหลับแต่อ่านอ่านแล้วทำความเข้าใจเนื้อหาจะได้ไม่หลับนะฟุ้งซ่าน จนนอนไม่หลับเนี่ยมีความกังวลมีความกังวลหนึ่งแล้วก็มีบาปอากุศลธรรมที่เกาะกินจิตใจมากเพราะเราขาดการไข้ควรกุศลนั่นเองจึงทำให้ความฟุ้งซ่านมามากเราไม่รวมความคิดนั้นให้เป็นหนึ่งคือ คิดถ้าคิดเรื่องกุศลก็คิดทีละอย่างคิดไปตามลำดับเป็นแถวเป็นแนวเนี่ยก็จะทำให้การบริหารความคิดเนี่ยอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งยิ่งถ้าดูลมหายใจมากๆเนี่ยความคิดจะรวมได้ง่ายเพราะเราตั้งใจที่จะดูอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวแล้วธรรมชาติของจิตก็เป็นอย่างนั้นมีการเกิดดับเกิด ด, ดับโดยดูแค่อย่างเดียวหรือ ทำอย่างเดียวเท่านั้นแต่เพราะเกิดดับอย่างรวดเร็วเราควบคุมไม่ไหวจึงซัดสายไปดังนั้นก็ให้มาฝึกเป็นประจำนั่นแหละแล้วต่อไปสมาธิกล้าแข็งขึ้นนะก็จะสติก็จะดูในสิ่งสิ่งเดียวนั้นได้ยาวนานหรือแม้แต่การฝึกดูในทุกิริยาบทดูลมหายใจเนี่ย เป็นการฝึกให้รวมความคิดให้เป็นหนึ่งนะแล้วความฟุ้งซ่านเนี่ยจะไม่ค่อยมารบกวนเมื่อความฟุ้งซ่านไม่มารบกวนก็จะนอนได้อย่างมีประสิทธิภาพขนาดนั้นเลยนะนอนอย่างหลับตาเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลกังวลถึง เรื่องอื่นอีกไม่จำเป็นต้องวางแผนล่วงหน้ามากนะถ้าวางแผนล่วงหน้ามากสักอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งบางคนปีหนึ่งเลยนะวางแผนล่วงหน้าไว้เนี่ยยังไม่ปรึกษาลมหายใจเลยว่าจะอยู่ถึงไหมก็วางแผนไ่ถึงปีหนึ่ง บางคนสองปีอาจมาเคยเห็นนักนักพูดนักแสดงที่กำลังโด่งดังเนี่ยเขารับงานไว้ถ้าไปติดต่อวันนี้บางคนรออีกหกเดือนกว่าจะได้มาแสดงได้มาพูดได้มาโชว์เนี่ยนะซึ่งถ้าเกิดลมหายใจขาด โอ้โหงานไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ในแต่ละวันสมมุติว่าวันละสามงานหกเดือนก็สามหกสิบแปดโอ้โหแล้วจะทำอย่างไรเราก็วางแผนไปล่วงหน้าไปในอนาคตเลยแต่ลมหายใจเราไม่รู้จะขาดไปเมื่ อ, อไหร่ในเรียกว่าประมาทคนประมาทก็ปัสจากสติ ก็ไม่สามารถที่จะมาควบคุมการนั่งสมาธิหรือแม้แต่การนอนก็นอนไม่หลับเนีย่ยนั้นวางแผนกลับไปนี่ลดนะลดกลางวางแผนลดเรื่องราวต่างๆหรือแม้แต่คิดที่จะทำให้มันปั่นป่วนไปหลายๆเรื่องหรือแม้แต่พูดคุยกับบุคคลที่ฟุ้งซ่านเนี่ยก็เป็นเหตุให้เราฟุ้งซ่านนอนไม่หลับเช่นกัน หรือแม้แต่เคลียร์หนี้เคลียร์สินซะก็จะไม่ค่อยก็จะนอนหลับดีนะบัตรเค ร, รดิตไม่ใช้ก็ได้อัตอมาไม่เห็นใช้เลยเพราะใช้ก่อนจ่ายที่หลังเนี่ยต้องมานั่งคิดอีกนะ ม, มือสองข้างไก่น้าผักไม่พอแล้วก็ต้องเคลียร์เคลียร์ ให้เหลือ น, น้อยที่สุดนะงานนะแต่นี่เนี่ยเคลียยังไงก็ไม่หมดสักทีนะเป็นเขาเรียกว่านี่ระยะยาวบางคนผ่อนบ้านห้าสิบปีจะเคลียหมดไหมเนี่ยชีวิตนี้อย่างนเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าสมัยก่อนก็บอกว่าไม่มีเหานะสมัยนี้ไม่รู้มีเปล่าแต่มาไม่เคยเจอมานานแล้วเหาเนี่ย เหาไม่มีเหาแล้วก็เอาเหามาใส่หัวไม่มีโซ่ก็เอาโซ่มาคล้องตัวเองไว้เอาโซ่ห้าสิบปีมาคล้องขาไว้ไม่มีลูกก็เอาลูกมาคล้องไว้ไม่มีสามีก็นำมาคล้องคอไว้ไม่มีภรรยาก็นำมาคล้องไว้เขาเรียกว่าเป็น เครื่องผูกที่หย่อนหย่อนเห็นไหมเราอิสระจะไปไหนก็ได้แต่ไม่สามารถที่จะออกจากวัตทุกข์ได้เป็นเครื่องตรวนเครื่องจองจําที่หย่อนหย่อนแต่ออกยากยากไหมยมวรรวาสเป็นวัยวชกรมานานนะยังไม่เปลี่ยนสักทีนะพยายามดึงอยู่นะ เนี่ยเป็นเครื่องผูกที่ย่อนย่อนโ ย, ยมก็รู้บ้านห้าสิบปีย่อนไหมย่อนแต่ออกไม่ได้ลูกสามีภรรยาพ่อแม่ทรัพย์สมบัติหน้าที่การงานย่อนย่อนทั้งนั้นแต่ออกไม่ได้ในวันที่พระลาหุนเกิดเนี่ยเจ้าชายศิลป์จับเปล่งอุทานเลยว่า ราหูรังชาตังพันธนังชาตังบวงเกิดขึ้นแล้วหนอเครื่องผูกเกิดขึ้นแล้วเลยเรียกว่าราหุ น, นบวงเกิดขึ้นแล้อย่างนี้นึกภาพออกไหมถ้าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นเนี่ยไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่า แต่นี่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาบอกเราเราจึงรู้ว่าบ่วงนี้มันออกได้ยากหาทางสนากลับไปเนี่ยหาทางตัดโซ่ตัดบ่วงนั้นออกไม่งั้นโยมจะเฝ้าวตาัตตะอยู่เนี่ยแหละเวียนวาไายตายเกิดอัตมาก็บอกแล้วว่าในวันที่พระพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหารมีความพิเศษพิสดารถึงสา0พันห้าร้อยชนิด ทุกคนไม่มีใครไม่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าแต่เพราะพบธาตุที่ดาวนา น, นั่นเองที่เราไม่ตั้งมั่นในการประพฤติปฏิบัติขัดเกาเพื่อออกจากวัฏทุกรหรือหลงหลงลืมลื ม, ลมเจอสิ่งที่ไม่ถูกต้องทําให้เราวนนะเหมือนคานากะโมคลารนะในคณกะโมคารนะสูตรเนี่ยเป็นผู้บอกทางคน บอกทางเส ม, มอบอกทางไปเมืองสาวัตถีบอกทางไปเมืองราชคฤกรก็มีคนถามเขาชํานาญในเรื่องของทางมากก็มีคนมาถามว่าไปเมืองสาวัตถีไปทางไหนไปเมืองราชจักรไปทางไหนเขาก็บอกอย่างละเอียดมากพระพุทธเจ้าก็ถามว่าคนที่บอกไปเนี่ยมีคนไปถูกไหมแล้วก็มีคนไปหลงไหม คณะกาโมกาลาณก็เลยบอกว่าข้าพระ อ, องค์เนี่ยก็บอกอย่างละเอียดทียิบเลยแต่บางคนพอไปก็ไปถูกนะเชื่อในแผนที่เชื่อในหนทางนั้นพอไปก็ไปถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพแต่บางคนนะมองแผนที่ไม่ออกหรือไม่เชื่อหรืออาจจะอ่านแผนที่ไม่ชัดเจนหรือฟังไม่ชัดเจน ก็ไปไม่ถึงวนวนๆนว น, นไปก็ไม่ถึงหรือไปถึงแต่ช้าก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะไปถึงจุดหมายข้าพระองค์ก็เป็นเพียงคนบอกทางเท่านั้นส่วนผู้ที่จะไปเนี่ยถ้าเขาเชื่อเขาเขาก็ไปถึงแต่ถ้าเขาไม่เชื่อเขาก็ไปไม่ถึงก็ก็หลงหลง พระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันเป็นผู้บอกทางบอกสิ่งที่ถูกต้องถ้าเราเชื่อมัน่นแล้วก็เชื่อทำตามทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะสามารถพ้นจากวัฏฏะทุกไดนะ้พระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นบ่วงเป็นเครื่องผูกเราต้องแก้ออกสลัดออกไม่ใช่นำมาเรื่อยนามาเรื่อยนำมาคล้องเรื่อยคล้องเรื่อย ตอนนี้ก็เยอะขึ้นไหมโซ่ตรวนก็มากขึ้นมากขึ้นจริงแก่ยากไปเรื่อยนะหย่อนหย่อนแกได้ยากอา้าวฝุ่งซานใช่ไหมเนี่ยต่อไปสัตว์ที่มีขันเดียวมีห้าขันมีสี่ขันได้แก่อะไร ห้าขั น, นห้าขันก็คือผู้ที่มีรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันรูปประขันก็รูปร่างกายเนี่ยที่มีตาหูจมูกลิ้นกายหัวใจพวกนี้เรียกว่ารูปประขันเวทนาคือความรู้สึก เย็นร้อนห่อนแข็งความสุขความทุกข์สัญญาคือความจำสังขารคือเครื่องปรุงแต่งที่เป็นฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีวิญญาณคือจิตคือความคิดที่มีหาขันก็ได้แก่อบายภูมิ4สันโรกเปรสุรกายสเดชฉานมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกชั้น รูปประพรมสิบห้าชั้นที่เราสวดตั้งแต่พรามะปริสัชชาพรามะปรโรหิตามหาพรห ม, มาปริตาภาอปมานาภาอาภัสราปริตตาสุภาอัปมานัสุภาสุภกินหาแล้วก็เวหภพลาสิบ และสุดทธาวาดเป็นที่อยู่ของพระนาคามีกวิหาอัตปาป า, า, าสุตัสสาสุตัสศีอากนิฐาทั้งหมด15ชั้นเนี่ยเป็นอแล้วก็สชั้นหนึ่งชั้น6ชั้นเป็น11เป็นกรารมภูมิ11และพรหมโลก15ชั้นเป็นหขันส่วนหนึ่งขันได้แก่ อสัญญาสัตตพรมหรือพรมรูปฟักที่ได้จตุตชาแล้วนะสมมติว่าเราได้จตุตชาญจากอาณาปานสติไปเสร็จแล้วก็ตายนะโดยดับดับสัญญาอสัญญาเนี่ยก็คือดับดับความจำเพราะคิดว่า ที่เราจำมากๆเนี่ยเป็นเหตุใหยเราฟุ้งซ่านเป็นเหตุให้เราทำกรรมทำบาปทำอกุศลเราก็เลยดับเลยเพราะในขณะที่จิตมั่นคงจนถึงจะตตวฌานสามารถที่จะไปดูสัญญาได้แล้วดับสัญญาได้เพราะดับสัญญาแล้วก็ไม่มีสัญญาไม่มีความจาได้หมายรู้แล้วเมื่อไม่มีความจาสามปยุต ธ, ธรร ม, ท, มทั้งหมดที่เกิดร่วมกับสัญญาทั้งหมดเลยได้แก่ภาษา เวทนาหรือแม้แต่รูปธรรมต่างๆก็ถูกกำจัดไปเลยไม่มีพอไม่มีนามธรรมก็เหลือแต่รูปธรรมก็เลยเหลือขันเดียวนะเรียกว่าอสัญญาสตรพรมส่วนในสี่ขันก็ได้แก่อรูปภพสี่ชั้นอันนี้ทำชานจนสูงขึ้นไปจนดับ รูปได้แล้วจึงมีแต่นามขันเท่านั้นได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ได้แก่ห้าขันสี่ขันสี่ขันนี้มีสี่ชั้นหนึ่งขันก็มีหนึ่งชั้นส่วนห้าขันมีสิบอ็ดกับสิบห้ารวมเป็นทั้งหมดยี่สิบหกบวกกับห้าเป็น สามสิบเอ็ดพบภูมิต่อไปกราบนำ้ำรัสการเวลาทำงานจะเจริญสินได้อย่างไรเนี่ยอธิบายไปแล้วนะหรือสงสัยสงสัยยกมือในชีวิตประจำวันนะสงสัยหนึ่งคน ก็ถือว่าเป็นเอกฉันจะต้องอธิบายหลักการวินิจฉัยของในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเวลาที่มีเรื่องเวลาที่จะมาประชุมกันเยอะๆเนี่ยถ้ามีคนทวงคนเดียวมตินั้นตกไปไม่ให้มีใครท้วงเลยจะต้องยอมรับทั้งหมดดีไหมแบบนี้ นี่เรียกว่าธรรมมาธิปไตยถ้ามีคนแย้งเลิกเลยต้องเห็นพร้อมต้องกันทั้งหมดแต่ของเราในี่ใช้ปรประชาธิปไตยแบบอัตตาธิปไตยคือคนส่วนมากเป็นใหญ่ของทางพระไม่มีนะถ้าคนส่วนมากถ้าไม่เป็นธรรมไม่เอาเลยนะไม่ไม่ทเลยกิจกรรมนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามถ้าบุคคลผู้ไม่เป็นธรรมมากจะไม่ทาเด็ดขาด ยกเลิกทันทีแม้แต่มีคนทวงคนเดียวก็มติตกเลยนะแต่นี่มีคนสงสัยหนึ่งคนก็แสดงว่าทุกคนจะต้องพลอยได้ความรู้ไปด้วยเวลาทำงานจ ะ, จะเจริญศินอย่างไรนะ <c oughs> ทำงานของมีหลายชนิดนะ เวลาทำงานก็ต้องเจอกับเพื่อนร่วมงาน น, า น, นี่ก็เป็นทิศเบื้องสายต้องเจอกับหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาก็เป็นทิศเบื้องอา้าวส่ง้อเข้าไหนนี่ส่งคอเข้าทิศเบื้องสาย แล้วต้องเจอลูกน้องสมมติเป็นหัวหน้าต้องเจอลูกน้องเห็นหมต้องเชื่อมโยงกันหมดเลยในทิศห ก, ก็มีการดูแลกันดูแลกันมีการช่วยเหลือสิ่งใดที่เราพอช่วยเหลือได้เราก็ช่วยไม่ใช่หน้าบูด ต, ตั้งแต่เช้านะเจอกันอะ่ะเคยไหมโอ้ยเห็นคนนี้ไม่อยากช่วยเลย ทำงานอยู่ด้วยกันแต่ไม่เคยช่วยเหลือกันเลยอย่างนี้ก็ศีลไม่เจริญจาริตรศีลเจริญเมื่อมีการช่วยเหลือการดูแลกันอนุเคราะห์กันวาลิศีนก็มีการไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพื่อปิดในการไม่พูดโกหกเจอกันก็ต้องคุยกันพยายามหาเรื่องจริงมาพูดกันไม่ใช่หาเรื่องแต่อะไร นาละครหรือซื้อมาเนี่ยสมมุติว่าซื้อมาราคาเท่านี้ก็ไปบอกราคาเท่านั้นบอกมากกว่าอย่างนี้นะหรือแม้แต่ไปดัดผมมานี่ร้านไม่หรูเท่าไหร่ก็บอกไปร้าน น, นู้นที่เขาคนเข้าเยอะๆอย่างนี้นะหรือแม้แต่เรื่องอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับการโกหกเราก็ ตั้งใจไว้เลยว่าเราจะพูดแต่คําจริงไม่พูดคําที่แตกร้าวกันพูดแต่คําที่ไพเราะอ่อนหวานไม่พูดคําเพรสเชอรเจอหน้ากันแบบนี้ก็ศินจเจริญได้จาริตศสลนก็เจริญวาลิตศสินก็จเจริญได้เพื่อร่วมงานเนี่ยไม่ใช่โอ้ทำแต่ ง, งานหน้านิ่วขี้กบวดเลยนะไม่สนใจใครเลยใครจะมาทําอะไรก็เรื่องของเขาเขาไม่ใครมาขอความช่วยเหลือก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเรา อย่างนี้สินก็ไม่เกิดแต่ถ้าเกิดอยู่คนเดียวแล้วกรรมฐานเจริญก็ควรอยู่นะอยู่ที่ทำงานนะ่ะได้นะต่อไปเมื่อเกิดความทุกข์จะมีวิธีในการใช้พรหมวิหารสี่กับตัวเองอย่างไรที่เหมือนที่บอกวิธีไปแล้วนะ ต้องมีเมตตากับตัวเองก่อนทั้งกายกรรมและวจีกรรมต้องมีการฝึกฝนและมาเจริญเมตตาทุกวันนะทำเป็นประจำ <c oughs> ที่จริงความทุกข์กับอ่ความทุกข์กับพ ม, มวิหารนะถ้าความทุก ต้องเจริญการุณ า, าเพื่อให้ตัวเองพ้นจากวัตฏทุกข์แล้วไม่นำความชั่วบาปอกุศลธรรมเข้าใจไม่ทำร้ายตัวเองไม่นำสิ่งเสพติดยาพิษเข้าในทำร้ายตัวเองนี่คือการุณาการุณาในการปรับเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์นะ แต่ถ้าเกิดช่วยไม่ไหวแล้วตัวเองเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยเจริญกรุณาไม่ไหวแล้วก็ต้องวางแล้ววางอุเบกขาว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วนะจะต้องมีที่พึ่งก็ใช้พุทธานุสติเป็นที่พึ่งอาณาปานสติเป็นที่พึ่งนียแหละดูลมหายใจเข้า สวดมนต์เข้าหรือสวดมนต์ไม่ไหวเจ็บปวดมากก็ให้ญาติหรือบอกไว้เตรียมตัวไว้ก่อนเพราะไม่พ้นหรอกนะอย่าคิดว่าจะพ้นความเป็นมะเร็งนะอาตมาก็ยังคิดว่าตัวเองจะไม่พ้นอยู่เพราะเกิดมาแล้วนี่หลีกเลี่ยงได้ไหมจะต้องแก่ต้องเจ็บ หรือเลี่ยงไม่ได้เตรียมไว้เลยนะเตรียมหาเงินไว้ตอนนี้เลยโยมอีกห้สิบปีก็มารักษานั่นแหละไม่มีอะไรมากหรอกชีวิตน่ะ ถ, ถ้าเกิดไม่เราไม่แบ่งเวลามาทําบุญทำกุศลในการไข้ควรเราก็หาเงินทั้งชีวิตนั่นแหละมารักษาก็มีตัวอย่างเยอะแยะงนั้นก็เจริญกรุณาถ้าเจริญได้ ขอให้ตัวเองพ้นจากวัตฏะทุกข์แล้วก็ไข้ควรเจริญพุทธานนึกสติเจริญลมหายใจหรือกรรมฐานใดๆก็แล้วแตนะ่ไม่ว่าจะเป็นจาคานุกสติศีลานุสติเจริญเรื่องทานเจริญเรื่องศีลก็สามารถที่จะทําให้ตัวเองพ้นจากทุกข์ถ้ามีความทุกข์ความเครียดแล้วก็เจริญกรรมฐานเนะจริญกรุณาให้ตัวเองพ้นทุกข์ ขอให้ข้าพเจ้าจงพ้นจากความทุกข์พ้นจากเวรพ้นจากภัยทำให้นานๆในแต่ละกรรมฐานในแต่ละตัวเนี่ยเพื่อให้เราได้คุ้นเคยกับกรรมฐานนั้นๆ น, น, นะต่อไปถ้าเราเคยถูก สอนมาชนิดฝังสายตาค น, คนของคนแก่จะเป็นอย่างนี้นะโยมนะจำไว้เลยเนี่ยอยากเกิดคนเร า, เาคนเราถ้าเคยถูกสอนมาชนิดฝังหัวเลยว่าทําบุญหรือทําทานกับใครแล้วไม่หวังผล ทุกครั้งเลยที่ทำมาตลอดชีวิตที่ผ่านมาหลายปีก็เลยเป็นประเภททำแล้วก็เลยไม่สนใจนะใครให้สองมากระสาทุแล้วก็ทำแต่ไม่เคยมานึกทบทวนเลยซองแล้วเท่าไหร่โยมจะได้เอามาแจกบ้างเพราะเวลานั้นๆก็ยุ่งกับการทำมาหากินถา่ว่าถ้าตอนนี้กลับไประลึกบุญเก่า บอกแล้วยิ่งเราลึกเท่าไหร่ยิ่งดีใช่ไหมบุญที่เคยทำในอดีตทําตั้งแต่เมื่อไหร่ที่โยมนึกได้เนี่ยนึกมาให้หมดเลยนะที่เคยทำผิดพลาดไปทำไม่ถูกทำไม่ดีคิดใหม่ปรับใจใหม่คิดถึงใหม่คิดถึงเท่าไหร่มากเท่าไหร่บุญกุศลก็เกิดขึ้นมากเท่านั้นเพราะเจตนาที่สร้างขึ้นใหม่เนี่ย ย้อนกลับไปนําบุญกุศลที่มีในอดีตที่ทำไม่ถูกต้องเนี่ยทำไม่ถูกต้องเมื่อไม่คิดก็คิดขึ้นมาเรื่อยๆบุญเก่าก็ทำบุญใหม่ก็ไม่ทิ้งอย่างนี้เยอะไหมเยอะเราก็ไม่ต้องไปเสียหายที่เคยทำไวในอดีตแล้วคิดเยอะๆเลยนะเรื่องบาปเรื่องผิดพลาดเรื่องไม่ดีเรื่องอกุศ ล, ลกรรมไม่ควรคิด ปล่อยเลยตามเลยทิ้งเลยแล้วให้เป็นประสบการณ์ในการที่จะแก้ไขในปัจจุบันนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกจะไม่ทำอีกในสิ่งที่ผิดพลาดนั้นแล้วจะไม่คิดถึงมันอีกเลยส่วนบุญควรคิดนะถ้าเราทำงาน ด้านที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับพระศาสนาแล้วแผ่เมตตาขอบุญกุศลช่วยให้ครอบครัวตัวเองมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยอันตรายมาเบียดเบียนเพื่อเราจะได้มีโอกาสมาช่วยเหลือได้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะําจริงๆถามว่าอย่างนี้เป็นการอธิษฐานหรือเป็นการบนหรือเป็นอะไร บนนี่คืออะไรบนบานสารกล่าวใช่ไหม <c oughs> เราก็มาแยกดูนะในนี้มีหลายอย่างเลยคืออธิษฐานการบนบานสารกล่าวการแผ่เมตตาการอุทิศและความปาถนาแต่และอย่างมีความหมายต่างกันโยมต้องจำแนกแจกแจงนะสมมุติว่าโยมทำบุญแล้ว โยมอุทิศแก่ผู้ร่วงรับไปในเรียกว่าอุทิศคือเจาะจงให้ผู้ที่ร่วงรับไปไม่ว่าจะเป็นญาติพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาก็ตามที่เรากรวดน้ําไปให้เนี่ยเรียกว่าการอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ผู้ร่วงรับส่วนผู้ที่จะรับนั้นจะเป็นจาพวกของเปรตที่จะได้รับส่วนผู้ที่ร่วงรับไปเกิดเป็นสันนิชย เ ป, เ, เป็นสุรกายอ่าเป็นสเดฉานเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นพรหมก็ไม่สามารถที่จะรับบุญกุศลที่เราอุทิศนั้นให้ได้เพราะไม่อยู่ในฐานะที่จะรับมนุษย์ก็มีอาหารสเดฉานก็มีอาหารสัตว์นรกเป็นเหมือนกับนักโทษที่เข้าคุกมืดห้ามเยี่ยมห้าประการดังนั้น จึงไม่มีโอกาสที่จะรับส่วนบุญนั้นได้แต่เมื่อไหร่ที่เขาหมดกรรมจากหมดบาปวกคโส ร, รกรรมจากนรกแล้วขึ้นมาเป็นเปรต <c oughs> ก็มีโอกาสที่จะได้รับส่วนบุญที่เราอุทิศนั้นให้ได้ <c oughs> ส่วนการแผ่เมตตานี่ที่เราทําอยู่เนี่คือการแปลความรักความปรารถนาดีไปกับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นสุขกิจสัตว์ที่มีความสุขโดยไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ ส่วนความการอธิษฐานเราเราก็รู้แล้วว่าอธิษฐานแล้วจะต้องทำเพื่อให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราปรารถนานั้นเช่นความเป็นสาวกกะโพธิปเจกะโพธิสาัมมาสัมโพธินี่เรียกว่าอธิษฐานหรืออธิษฐานบารมีส่วนความปรารถนานั้นทำบุญและปรารถนาได้อย่างเช่นอาจามายกตัวอย่างของปรารถนาทาบุญแล้วหวังผล ก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นจาตุมโดยที่จะต้องมีศีลด้วยทำบุญสิ่งนั้นว่าเป็นการดีนะแล้วเราก็ปาถนาไป <c oughs> นี่เรียกว่าปาถนาเพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราความปาถนานั้นจะต้องทำบุญก่อนหรืออุทิศจะต้องทำบุญก่อนเมื่อมีบุญแล้วก็ปาถนา เมื่อมีบุญแล้วก็อุทิศนะส่วนที่ได้ทำนะที่โยมได้ทำเนี่ยนะแล้วก็ปรารถนาให้ครอบครัวมีความสุขก็อยู่ที่เป็นความปรารถนาไม่ใช่เป็นการแผ่เมตตานะเป็นความปรารถนาและไม่ใช่เป็นการอธิษฐาน และไม่ใช่เป็นการบนบานสารเก่าด้วยเพราะการบนบานสารเก่าวเนื้อนั้นถือของไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นเหล้าเป็นหมากเป็นพรูก็ไปบนบานสารเก่าวได้เลยโดยไม่ต้องมีบุญก็ได้เราก็มีวัตถุสิ่งของเพื่อไปบนบานสารเก่าวนั้นแต่ชาวพุทธก็ไม่นิยมทําเพราะว่าเป็นเรื่องของความงมงายเป็นเรื่องของการร้องขอรอ การโดนบันดาลเนี่ยชาวพุทธเรียกว่าไม่มีเหตุผลในชาวพุทธก็จะไม่ทำนะปัทนานะปารถนาให้ตัวเองพ้นจากความทุกข์นั่นเองทำบุญนะทาบุญแล้วก็ปัทนาให้ตัวเองพ้นจากวัตฏทุกข์นะไม่ใช่เมตตาไม่ใช่อธิษฐานอยากฟังสิบขั้นตอนในการปฏิบัติสมาธินะนะ <c oughs> อยู่ไหนแล้วไม่รู้นี่ โยมถามก็จดนะถึงไม่อยู่แล้ววันนั้นบอกไปเจ็ดขั้นตอนขั้นตอนที่หกนะทำความคุ้นเคยกับลมหายใจหรือทวนใหม่ทวนใหม่เลยนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับจตุกะของในพระบาลีนะจตุกะสี่ จัตุการแรกเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในจัตุการแรกนะแต่แต่ในพระพุทธพจน์ก็มี4อย่างน่แหละมีการดูลมเข้ายาวลมออกยาวเข้าสั้นออกสั้นดูลูกองลมแล้วก็ระงับระงับกองลมนี่นะคือดูความละเอียดของลมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยมีสอย่างอันนั้นเป็นในพระพุทธพจน์ ส่วนอันนี้ก็เรามาปฏิบัติในเบื้องต้นนะมีการสวดมนต์ไหว้พระสารเสริญคุณของพระรัตนตรยัยแล้วก็สำรวจศีลของตัวเองให้ดีนะสองก็มีการผ่อนคลายความตึงเครียดทางร่างกายทุกส่วนตั้งแต่ศตรีรษะจรวดปลายเท้าก็มีการขยับขยายมีการ นวดเฟ้นนะแล้วก็มีการใช้ความรู้สึกไล่ลงมานะในที่ที่เคยปวดในที่ที่มันตึงในที่ที่มันยังไม่สบายนี่นะดูไล่ไล่ไลไปให้เกิดความสบายทั่วร่างกายแล้วก็ตั้งกายตรงดํารงสติมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกตั้งท่าวางท่าแต่งท่าให้ดีให้เหมาะสมนี่คร่าวๆอธิษฐานจิต ว่าจะนั่งให้ยาวนานนะหนึ่งบรรลางสองบรรลางก็ตามหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วแต่เรากําหนดโดยตั้งใจความเพียร น, นะโดยใช้ความเพียรประกอบด้วยองค์สี่ว่าแม้เนื้อและเลือดจงเหือดแห้งไปเถิดจะเหลือหนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้ายังไม่ครบเวลาที่เรากําหนดเราจะไม่ลุกเนี่ยเรียกเป็เรียกเป็นการอธิษฐานไปในตัวด้วยนะ แล้วก็ตัดความกังวลทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ทั้งหมดนะแม้แต่ความกังวลสิบประการมีความกังวลในที่อยู่อาศัยในอาหารในอากาศหรือในลาบยศในการเดินทางในการงานในการศึกษาในการสอน ตัดให้หมดหรือการวางแผนอะไรแล้วก็แล้วแต่หรือเล็บยาวอย่างเงี้ยเป็นเครื่องกังวลนะเล็บยาวผมยังไม่เรียบร้อยเสื้อผ้าหรือที่รองนั่งยังไม่สะอาดเนี่ยเป็นเครื่องกังวลทั้งหมดเราก็ตัดทําให้เรียบร้อยหรือถ้ามีการวางแผนมีข้อมูลอะไรต่างๆเราจดบันทึกไว้ อย่าเพิ่งนำมาคิดในตอนตอนที่จะปฏิบัตินะให้จดบันทึกไว้เลยเสร็จแล้วก็วางไว้เลยไม่ต้องสนใจอีกภายในหนึ่งบรลงังสองบัลังที่เราปฏิบัติเนี่ยนะไม่ต้องยุ่งกับเขาอีกเลยข้อ5คืออธิษฐานจิตว่าจะแก้ปัญหาในขณะที่นิวรธรรมนั้นเกิดขึ้นในขณะการมชันทะเกิดขึ้นพยาบาททีนามิทอุท อุทจจะกุกุจจะความลังเลสงสัยความรุ่มหลงหรือความไม่ยินดีในการประพฤติปฏิบัติหรือบ า, บา ป, บาป อ, า ก, อากุศลธรรมทุกตัวเนี่ยแล้วก็ว่าจะทำแบบไหนนะลักษณะที่หนึ่งก็คือวางเฉยลักษณะที่สองก็แก้ไปตามตัวเลย การมฉันท้าเกิดขึ้นแก้ด้วยอาสุภะแก้ด้วยดูเนคัมมะหรือจะดูอาการ32ให้เป็นของปฏิกูลเน่าเปื่อยเป็นของเสียเป็นของนอเน่าเหม็นเป็นของไม่งามนี่นะส่วนความพยาบาทยอมฟังเยอะแล้วนะแก้ด้วยเมตตาหรือขันติ ส่วนถีน้มิถะก็ใช้ธรรมวิจยะการสอดส่องนำธรรมะมาค่อควรหรือใช้ความเพียรนี่แหละแก้ไขความง่วงเหงาเศ้าซึมหดหู่ท้อแท้นี่นะหรือใช้ปีติปีติคือความอิ่มเอิบใจมากระตุน้นนะกระตุ้นไม่ให้เกียดค้านหรือใช้วิธีนะที่ปะมหามโมคคลาณะที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกพระมหามโมคคลานะนี่ เจ็ดวิธีใช่ไหมแก้งง่วงจำได้ไหมหนึ่งให้เลิกคิดเรื่องที่จะเกี่ยวกับความง่วงทั้งหมดสองนึกถึงคำสั่งสอนสามสาธยายสี่ดึงหูยอนหูเนี่ยนะแล้วก็รูปหน้าอกห้าลุกขึ้นเอาน้ำรูปหน้าแล้วก็มองทิศเจ็ดเข้าอารมกสัญญาอันนี้ อาโลกสัญญาต้องได้จะตุทะฌานจากอาณาปานสติก่อนแล้วก็ไปเจริญอาโลกะกะสินเป็นกสินนะก็จะได้เกี่ยวกับเรื่องแสงสว่างนี้นะเป็นสมถากรรมฐา น, นเป็นกสินอาโลกัสัญญานี่นะแล้วก็สามารถที่จะมาเจริญได้แล้วก็จะแก้ความง่วงได้ส่วน ขั้นตอนสุดท้ายก็คือคนส่วนใหญ่ก็บอกนอนนอนไม่ใช่นอนธรรมดานะในที่นี้คือนอนตะแคงขวาอย่างมีสติไม่ใช่มาถึงก็ใช้ขั้นตอนสุดท้ายเลยไม่ใช่นะส่วนใหญ่ก็จะใช้ขั้นตอนสุดท้ายนอนเฉลยง่วงดีนักสมน้ำหน้าบาบาโกสุรธรรมก็เข้าใจ ลักษณะที่สนะในข้อ5ที่อธิฐานเนี่ยคื อ, อ, อใครควรถึงบารมีทั้ง10นะถ้าบาปอกุศลธรรมมันเข้าเยอะๆเนี่ยฟุ้งซ่านมากๆความง่วงเหงาเศร้าซึมมันเข้ามากๆเนี่ยกามรมาลาค้าเข้ามากๆนี่นึกถึงบารมีทั้ง10นะของพระพุทธเจ้าหรือของตัวเองก็ได้ที่ตัวเองบำเพ็ญมาแต่ถ้าของพระพุทธเจ้าจะเห็นชัดกว่า เราพยายามศึกษาข้อมูลว่าตัวอย่างของทานบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรศีลบา ร, รมีเนคข ม, มะปัญญาวิริยะขันติสาจาัจจะอธิฐานะเมตตาและอุเบกขาอย่างละตัวอย่างเนี่ยสักสิบตัวอย่างมาไว้เวลาที่เราสวดบา ร, รมีทั้งสิบเนี่ยเราก็นึกถึงตัวอย่างที่พระองค์ทรงบำเพ็ญด้วยหรือแม้แต่ในเวลาปฏิบตัต เราก็ใช้บา ร, รมีมาช่วยเพื่อให้บาปอกุศลธรรมที่มันเคยเกิดเนี่ยมันสงบลงเยือกเย็นลงเพราะเรานึกถึงบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือแม้แต่ของตอนเองเนะก็จะไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องใจไม่ให้บาปอกุศลธรรมเข้าใจได้ คราวนี้ขั้นตอนที่หกทำความคุ้นเคยกับลมเข้าลมออกเนี่ยส่วนใหญ่เวลาทำแล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นถ้าทำใหม่ๆนะเพราะสติยังไม่มั่นคงเราไม่ค่อยไม่ค่อยฝึกไม่ค่อยปฏิบัติเราก็เลยเป็นคนหลงลืมดังนั้นก็มาฝึกใหม่ก็ไม่ค่อยเห็นหรอกอาจจะมาฝึกใหม่ๆก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนการลมเนี่ยแม้แต่จุดกระทบยังไม่อยากรู้เลยว่าอยู่ตรงไหนนะ เราก็มาสังเกตนั่นแหละปลายจมูกตรงนี้แหละทำความรู้สึกมาอยู่ตรงนี้ก็จะรู้ลมเข้าลมออกมันผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็เหมือนยกตัวอย่างว่าคนเลื่อยไม้คนเฝ้าประตูหรือแม้แต่การไกวชิงช้าเวลาไกวก็มองแต่จุดกึ่งกลางเขาส่วนด้าน ด้านที่ไกลไปทั้งสองด้านเราก็ไม่ได้ตามมองหรอกไม่งั้นมันก็จะเวียนหัวใช่ไหมถ้าเราตามมองก็จะเวียนหัวดังนั้นเราจึงดูแต่จุดตรงนั้นก็จะเห็นมันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาอยู่นั้นโดยเราไม่ได้นะไม่ต้องไปตามไปถ้าตามไปก็จะงงเหมือนกันเวลาดูลมพอตามไปก็จะงงเหมือนกันก็จะมึนก็ดูไม่รู้เรื่องก็มาดักดูดูอยู่ที่ จุดกระทบนี่แหละมีความรู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้เห็นแบบที่ยมเข้าใจหรอกไม่ได้มองแล้วเห็นแต่มีความรู้สึกอยู่ตรงนี้นก็ใจมีความรู้สึกว่ามันวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่นี่แหละลงเข้าลงออกเมื่อเราดูแล้วสติมั่นคงก็จ แยกแยะออกได้ว่านั่นคือสั้นหรือยาวก็สังเกตไปเรื่อยๆใช้ความเพียรมากขึ้นมากขึ้ น, นแต่ถ้ามีความฟุ้งซ่านมีทินามิทะมีบาปมกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมาแก้ก่อนเพราะในขณะนั้นไม่เห็นลมแน่นอนจิตดวงใหม่มันเกิดขึ้นแล้วนิมิตใหม่มันมาแล้วก็จะต้องขับไล่หรือทำลายสิ่งเหล่านั้นก่อนจึงมาดูลมได้ แล้วก็จะพัฒนาสติก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆไปดูแม้แต่วิ่งไปตลอดสายเนี่ยเราก็จะเห็นนะหรือล ะ, ะเอียดขึ้นละเอียดขึ้นในจัตุกาแรกข้อที่สี่เนี่ยก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะลมหายใจหยาบ ก, ก็จะดับไปก็เป็นปัจจัยให้ลมละเอียดนั้นเกิดขึ้นเรื่อยๆลมละ หยาบก็ดับไปเรื่อยๆลมละเอียดก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะอย่าไปกังวลว่าเรายังไม่เห็นเลยธรรมนาแล้วอย่าไปกังวลว่าเรายังไม่รู้ลมเข้าลมออกเลยเรายังไม่เห็นยาวสั้นเลยเรายังไม่เข้าใจดูตลอดสายเลยลมหายใจยังไม่ละเอียดเลยความฟุ้งซ่านยังมันยังมาอยู่เป็นประจำ การมฉันทะพยาบาทจินามิทะยังมาอยู่เป็นประจำอย่างนี้จะไปกังวลมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ดูไปเรื่อยๆแบบนี้แหละเมื่อไหร่สติที่มั่นคงตั้งมั่นและคอยแก้คอยแก้อยู่ตลอดเนี่ยต้องจำหลักจำหลักนี้ไว้ให้ดีวิธีแก้จะแก้ด้วยอย่างไรเอาวิชาเกิดขึ้นจะแก้ด้วยปัญญาความไม่รู้เกิดขึ้นต้องแก้ด้วยความรู้ ความไม่ยินดีเกิดขึ้นแก้ด้วยความยินดีความประโมทอย่างนี้นะบาบาคุรุบาบากุ ศ, รศุรธรรมอย่างอื่นก็เกิดขึ้นก็แก้ด้วยกุศลให้กุศลนันเกิดขึ้นก็มาดูลมขั้นตอนที่เจ็ดอ่าแล้วก็มีการนับนะถ้าเกิดช่วยไม่ได้เลยพยายามแก้แล้วแก้แล้วก็ช่วยไม่ได้ก็ใช้วิธีนับนั่นแหละนับก็มีสองวิธีอย่างที่ว่า นับ1จนถึง8นะเข้าเข้าออก1นนะ่จนถึง8แล้วก็เมื่อเรานับได้ติดต่อต่อเนื่องแล้วเห็นลมหายใจเข้าออกอย่างชัดเจนรู้สึกอย่างชัดเจนก็มานับเร็วขึ้นหายใจเข้าทีเดียวนับ 1-5 เลย 1-6 1-7 1-8 ได้เลย หายใจเข้าหายใจออกนะหายใจเข้าก็นับหนึ่งได้หายใจออกนับหนึ่งถึงได้แต่ต้องพึงระวังว่าการนับนั้นจะทำให้เราอยู่ที่การนับนั้นจนไม่ดูรมนะล้วก็ให้มีความสำคัญไว้ในใจว่าเราจะดูรมไม่ใช่การนับนะข้อที่เจ็ดก็คือขันติอดทนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นปวดเมื่อยหนาวร้อนเม้น แปดใส่ใจให้หนักเข้านี่เรียกว่าดูลมต้นลมกลางลมปลายมเนี่ยนะโดยดูที่จุดกระทบอย่างเดียวเนี่ยนะเรียกว่าสักสภกายะปฏิสังเวทีอั ศ, ศิสสามีติปัสสิสามีติสิกขิในในจตุกะแรกในหมวดกายานุปัสนาสติปฐานข้อที่สามในหมวดแรกในหมวดกายาข้อที่สามเนี่ยก็คือดูลม ดูลมหายใจเข้าออกตลอดสายต้นกลางลมอันนี้คือใส่ใจให้มากมีความเพียรให้มากจากที่เราดูสั้นยาวแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็คือดูที่จุดกระทบตรงนี้แหละก็จะเห็นว่ามันดูตรงนี้ก็จะสามารถที่จะรู้เพราะสติมันมั่นคงสติ กล้าแข็งขึ้นสติมั่นคงขึ้นสติตั้งมั่นขึ้นเนี่ยก็จะสามารถรู้ได้ยาวนานขึ้นในขั้นตอนที่9ก้า็คือปัสสัมพยังกายสังขารังอสสิสมีติปสัสสามีติสิขตขิก็คือนำข้อที่4ของกายานุปัสนาสติปัฏฐานน่นแหละมาดู น, นะเมื่อจิตสงบเข้าจิตที่หยาบลมหายใจที่หยาบ ก็ดับไปเราหมายใจละเอียดก็เกิดขึ้นอย่างนี้นะก็ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนต้องไม่ไม่ไปสนใจการนับบาปกุศลตามต่างๆก็ไม่มารบกวนเนี่ยอันนี้ก็ละเอียดขึ้นในในข้อที่4ในะจิตุกะแรกนะส่วนข้อที่10ก็เป็นการ รู้ลมหายใจในทุกอิริยาบทไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นพูดนิ่งกินดื่มเคี้ยวลิ้มทั้งหมดก็คือที่เราใช้อยู่เป็นประจำนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเราเรานำมาใช้ในก่อนทมหรือหลังทมหรือตอนออกจากสมาธิแล้วมาทาตลอดก็จะได้คุณภาพมากขึ้น ในเวลาที่เรามาทำสมาธิอันนี้คือ1ิบขั้นตอนโอ้โหสามทุ่มซะแล้วสงสัยจะไม่หมดซะแล้วงั้นก็ที่ตอบแล้วจะมีอยู่ตรงนี้นะที่ตอบแล้วที่เขียนเขียนไว้แต่ถ้าเกิดเป็นคำถามของใครก็มา รับได้ตรงนี้นะส่วนที่เหลือนี้คงเป็นถ้าอรตมายังไม่หมดลมหายใจซะก่อนนะยังดูลมหายใจได้ก็จะมีโอกาสมาตอบหรือลมไม่ลมโยมไม่หมดก่อนนะแต่ถ้าเกิด ใครมีความสงสัยที่จะถามก็ติดต่อที่โยมมีโยมสองท่านนะโยมอาจารย์ลัดดาแล้วก็โยมอีกท่านหนึ่งโยมแอนะจะถามนี่ได้เพราะว่าจะอยู่ใกล้กันแล้วก็หาเบอร์โทรติดต่อสามารถปรึกษาได้นะได้ ทุกเรื่องในเรื่องการทานศีลภาวนาในเรื่องการปฏิบัติถ้ า, ายกเว้นเรื่องหนึง่งถ้าตอบไม่ได้ก็จะค้นคว้าให้ทางอันนี้เป็นเขาเรียกว่าข้อมูลข้อมูลข่าวสารเป็นพแพลนที่ หาข้อมูลนะซึ่งถ้าตะมาไม่รู้อะไรก็ถามให้หาข้อมูลกนะ็จะหาได้อย่างรวดเร็วนะเพราะอยู่กับตำรับตำลาอันนี้คำถามนี้นะก็ให้กับโยมนะให้โยมไปค้นคว้าแล้วก็แล้วก็จะตอบให้ส่วนถ้าเกิดมีโอกาสก็เขียนมาใหม่ ถ้ามีอาตมามีโอกาสที่จะถามโยมก็เขียนมาใหม่หรือไม่ถ้าโยมขวนขวายที่จะศึกษาโยมก็หาความรู้ก่อนอาตมาได้เพราะอาตมาจะตายไปแล้วก็ได้อาจจะตายไปแล้วเอาล่ะวันนี้เห็นสมควรเก็บเวลา